ข่างฝั่งที่เคารพค่ะและนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะของรายการสันสนีสนทนาถ้าเป็นวันพฤหัสและวันศุกร์แล้วก็จะเป็นการรับฟังพระสูตรเนื้อหาพระสูตรเต็มๆและมีการอธิบายขยายความโดยพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะที่มีปฏิปทาแน่วแน่ในการที่จะเผยแผ่ธรรมะที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษคือพระมารคชาควโรค่ะ ในส่วนของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์วันนี้ที่จะอ่านให้ฟังต่อไปเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุรัพรชาติหรือว่าชาติก่อนของพระพุทธองค์ก่อนที่มาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอะไรไว้ตรัสแกพระภิกษุที่เชตวันค่ะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อน ในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือก็ตามด้วยก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามศาสตรตราก็ตามได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในกุศลกิจทั้งหลายได้เป็นประธาน ของหมู่ชนผู้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกทานการสมาทานศีลการอยู่อุโบสถการประพฤติเกื้อกูลไกามารดาบิดาสมณะพราหม์การนอบนอบต่อผู้เจริญในตระกูลในอทิกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาสพูดคำจริงหลังคำสัตว์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกหลวงโลก เนี่ยคะ่ะพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเอาไว้ว่าพระชาติก่อนๆทรงบําเพ็ญบารมีอะไรอ่านตามคิดตามบางคนอาจจะอุ๊ยถลึงตาค้อนควักจ้องลับหลังมองคนด้วยสายตาที่ไม่มีความรักนี่ถือว่าไม่ได้บําเพ็ญบารมีด้วยหรอแค่มองคนปกติตรงๆเนี่ยเป็นการบําเพ็ญบารมีด้วยหรอก็น่าสนใจมากนะคะกายสุจริตใจสุจริต คำพูดสุดจริตนี่ก็ส่งมุ่งเน้นว่าเป็นบา ร, รมีเช่นเดียวกันการประพฤติเกื้อกูลพ่อแม่ก็เป็นการทำบา ร, รมีที่ดีการไม่พูดโกหกการพูดความจริงการไม่หลอกลวงโลกเป็นการบาเพ็ญเพี ย, พยบรบารมีแบบพระพุทธองค์เหมือนกันยังมีอีกนะคะสำหรับการที่จะอ่านให้ฟังว่า บุรพชาติของพระพุทธองค์นั้นได้ทรงทําอะไรไว้ถึงได้มีโอกาสนะคะที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปที่พวกเราจะทําในเรื่องทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าดูโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยากแต่เราได้ดําเนินรอยตามพระพุทธองค์ในบางส่วนเท่าที่เราจะทําได้เนี่ยเขคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเรา คอยติดตามกันจะได้เรียนรู้ที่จะเรียนแบบพระพุทธองค์ด้วยกันค่ะวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงที่จะต้องพูดถึงการแจกหนังสืออีกแล้วนะคะเรียนเองมาแจกช่วงท้ายๆในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้คนที่ฟังในวันก่อนฟังในช่วงนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวเมื่อวานฟังไม่ทันวันนี้จะได้จดให้ทันเตรียมกระดาษปากกาไว้หนังสือที่เราจะแจก เป็นถ้อยคําของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าเป็นพุทธวัตรธรรมวินัยจากพุทธโอด ร, รวมอยู่ด้วยกัน43เรื่องชื่อหนังสือพุทธวัต์ฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะก็ติดต่อเข้ามาที่สถานีวิทยุซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำใจมากนะคะคอยต้อนรับประสานงานว่าจะรับหนังสือกันอย่างไรหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมาก็022690006 และ022690060อย่าลืมติดต่อเข้ามาก็แล้วกันนะคะเรามอบให้วันละห้าท่านค่ะวันนี้ก็ลากันไปพรุ่งนี้ติดตามรับฟังกันได้ใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ